จเจริญอนท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่25พฤศจิกายนพุทธศักราชสองพัาราเป็นวันพระวันธรรมสวนสวันฝังธรรมวันสร้างบุญบา ร, รมีที่เป็นเหตุ ปัจจัยที่จะส่งเสริมพัฒนาชีวิตจิตใจของพวกเราให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นเป็นสิ่งที่ต้องทำกันเองไม่มีใครทำแทนกันได้และเป็นสิ่งที่แข่งขันกันไม่ได้นังคำพูดที่มีพูดไว้ว่า แข่งรถแข่งเรือพอแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งบารมีนี่แข่งไม่ได้เพราะจะต้องใช้เวลาสร้างมันขึ้นมาเป็นกับเป็นหลายภพหลายชาติด้วยกันชีวิตของพวกเราตอนนี้เป็นอยู่ขนาดนี้แตกต่างกันไปแต่ละคนมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันมีรวยมีจนไม่เท่ากัน มีสุขมีทุกข์ไม่เท่ากันมีความฉลาดความโง่ไม่เท่ากันมีรูปร่างหน้าตาสวยงามไม่เท่ากันมีสุขภาพไม่เท่ากันมีอายุยืนยาวนานไม่เท่ากันมีอาการ32ครบไม่เท่ากันสิ่งเหล่านี้แหละที่เรียกว่าเป็นผลที่เกิดการสร้างบารมีหรือขาดการสร้างบารมี ถ้าสร้างบารมีก็จะได้สิ่งแต่ที่ดีที่งามในภพชาติต่อๆไปเราไม่มองถึงภพชาตินี้การสร้างบารมีเรามองถึงภพที่จะตามมาถ้าเรามองถึงภพนี้เราจะไม่มีกําลังใจที่อยากจะทำบุญทำบารมีกันเพราะทำแล้วมันไม่รวยมันไม่เว็ตมันไม่เป็นใหญ่เป็นโตแต่เราต้องนึกถึง พบต่อต่อไปที่เรายังจะต้องกลับมาเกิดอีกว่ามันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราหมั่นสร้างบุญบา ร, รมีไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสร้างบา ร, รมีครบถ้วนบริบูรณ์ทําให้เราไม่ต้องกลับมาเก่ดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอชาตินี้อย่าไปหวังอะไรมากจากการสร้างบุญบา ร, รมีนอกจากความสุขทางใจ อย่างอื่นอย่าไปหวังอย่าไปคิดว่ามาสร้างบบุญบรารมีแล้วจะร่ำรวยจะเป็นใหญ่เป็นโตอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่สอดคล้องกับเหตุกับผลเหตุคือการสร้างบุญบรารมีอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องรอผลให้มันเกิดมันไม่ได้เกิดแบบปลูกปรับขนาดปลูกต้นไม้ยังต้องรอห้าปีสิบปี กว่ามันจะออกดอกออกผลขึ้นมาแล้วนับภาษาอะไรกับบุญบารมีที่เป็นสิ่งที่จะต้องใช้เวลาสร้างกันขึ้นมาพระพุทธเจ้าของพวกเรากว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องสร้างบุญบารมีมาเป็นกลับเป็นการกันแต่ในที่สุดก็ได้รับผลอันประเสริฐได้ตัสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้หุพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างถาวรดีกว่าพวกเราดีกว่าการสร้างทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่จะต้องสูญไปหมดไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วและการมีลาบยศสรรเสริมมีเงินทองมากมายก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความสุขใจความสุขใจนี้อยู่ที่บุญ กุศลที่บารมีที่เราสร้างกันถึงแม้จะไม่รวยแต่จะมีความสุขยิ่งกว่ามหาเศรษฐีสิเพราะว่าเป็นมหาเศรษฐีที่แท้จริงมหาเศรษฐีที่แท้จริงต้องเป็นมหาเศรษฐีภายในต้องรวยด้วยอริยทรัพย์รวยด้วยบุญบารมีผู้ที่มีบุญบารมีนี้ไม่ต้องสแสวงหาทรัพย์ภายนอกดูพระพุทธเจ้าของพวกเราเป็นตัวอย่าง ดูพระอาลันตาสาวกของพวกเราเป็นตัวอย่างท่านนี่แหละคือมหาเศรษฐีที่แท้จริงท่านรวยด้วยอริยทรัพย์รวยด้วยมรรคผลนิพพานรวยด้วยปรมังสุขขันบาล ม, มังสุขที่เกิดจากการสร้างบุญบารมีต่างๆแล้วท่านก็ไม่ต้องไปหาทรัพย์สมบัติภายนอกทรัพย์สมบัติของท่านมีเพียงแปชิ้นเท่านั้น คืออัฐบริขารมีบาท1หนึ่งใบมีจีวรสมผืนมีผ้าสามผืนมีที่ประคบเอวหนึ่งอันมีมีดโกนมีเข็มกับด้าแล้วก็มีที่กรองน้ำนี่แหละคือสมบัติของมหาเศรษฐีพวกเรามีรถมีบ้านมีคอนโดมีอะไรเต็มไปหมดแล้วใจเราเป็นยังไงปรามังสุขขังหรือปรามังทุกขังกัน นอนกายหน้าผากกันกินไม่ได้นอนไม่หลับกันวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ดอกตกหน่อยก็วุ่นวายแล้วดอกเมียหล่นลงไปสักครึ่งนึง ส, ะสะักเสือกนึงก็ปวดหัวแล้วะหุ่นตกก็ปวดหัวแล้วเศรษฐกิจตกเงินบาทตกก็วุ่นวายกันแล้วนี่แหละความสุขของเศรษฐีทางลาบยศสรรเสริญก็สุขแบบนี้ สุกแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระสายวิตกกังวลไปกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้เดี๋ยวมีระเบิดตรงนั้นระเบิดตรงนี้ก็ปวดหัวอีกแล้วคนไม่มาเที่ยวรายได้ไม่มีอีกแล้วนี่แหละเรื่องของมาเศรษฐีทางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองภายนอกจะเป็นอย่างนี้จะสุขก็เฉพาะมีเงินซื้อของกินของใช้ไปเท่านั้นเอง แต่ความสุขแบบนี้มันไม่มันไม่มาลบล้างความทุกข์ทางใจทุกที่เกิดจากความวิตกกังวลห่วงใ ย, ยกับเรื่องราวต่างๆสู้เอาความสุขแบบพระอริยะเจ้าดีกว่าความสุขจากอริยทรัพดีกว่าความสุขแบบนี้จะไม่ทาให้กังวลเดือดร้อนวิตกกับเรื่องราวของทางโลกเศรษฐกิจจะขึ้นเศรษฐกิจจะลงจะมีระเบิดไม่มีระเบิด มีสงคราไม่มีสงครามไม่เป็นปัญหาเพราะว่าท่านไม่ต้องใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องให้ความสุขนั่นเองท่านมีบุญบรารมีเป็นเครื่องให้ความสุขนี่แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องสอนต้องบังคับให้พวกเรามาวัดกรรมในวันพระอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันให้ปล่อยวางภารกิจการหาทรัพย์ภายนอก เพื่อมาหาทรัพย์ภายในด้วยการมาสร้างบุญบารมีเช่นวันนี้ญาติโยมก็มาสร้างเมตตาบารมีเมตตาบารมีแปลว่าอะไรแปลว่าความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยากให้มีให้ผู้อื่นมีความสุขไม่อยากให้ผู้อื่นมีความทุกข์จึงมาวัดเพื่อเอาเท้าของต่างๆมาถวายพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อท่านจะได้อยู่อย่างสุขอย่างสบาย อันนี้ก็เรียกว่าเมตตาบารมีก่อนที่จะทำะความดีต่างๆได้ต้องมีเมตตาบารมีเป็นจุดเริ่มต้นถ้าใจไม่มีความเมตตาจะสร้างบารมีอย่างอื่นไม่ได้ถ้าใจโหดเทียมทารุณ น, นี่ใจไม้ใส่ละกรรมใจดำนี้จะไม่ชอบทำทานจะไม่ชอบรักษาศีลจะสร้างทานบารมีไม่ได้สร้างศีลบารมีไม่ได้ แต่ถ้าเป็นใจเมตตาแล้วจะสร้างทานบารมีได้อย่างง่ายดายฉลักษาศีลจะสร้างศีลบารมีได้อย่างวันนี้ญาติโยมมีเมตตาจึงได้มาวัดแล้วก็ได้มาสร้างทานบารมีนํากับข้าวกับปลาอาหารของข่าวของหวานมาถวายพระแล้วก็มาสมาทานศีลศีลก็เรียกว่าศีลบารมีได้สามข้อแล้ววันนี้ได้เมตตาบารมี ได้ทานบารมีได้ศีลบารมีแล้วถ้าเคยรักษาศีลมาได้แล้ววันนี้ก็อาจจะมารักษาศีลแปดแทนรักษาศีลห้าได้เป็นปกติแล้ววันพระก็ลองมารักษาศีลแปศีลแปนี้ก็เป็นการสร้างเนธคัมมะบารมีเนธคัมมะก็แปลว่าการออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เช่นวันนี้ไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับใครไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตรับประทานพออยู่ได้หลังจากเที่ยงวันก็พอแล้วแล้วก็ไม่หาความสุขจากบันเทิงมหรสพต่างๆไม่ไปหาความสุขจากการเสริมความงามทางร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาพรวิจิตพิสดาร ด้วยเครื่องสมองสำอางแต่งหน้าทาปากทำถมด้วยน้ำหอมน้ำมันอะไรอต่างๆแล้วก็ไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปหลับพอพักผ่อนร่างกายก็พอแล้วด้วยการไม่นอนบนฟูกหนาๆเตียงให ญ, ใหญ่ให้นอนบนพื้นแข็งๆเพราะเวลานอนบนพื้นแข็งๆมันจะนอนไม่นานพอร่างกายได้พักผ่อนสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมา พอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็จะลุกขึ้นมาแล้วจะได้มีเวลามาสร้างบารมีทอดต่อไปคือเน่ฆัมมะอุเบขาบารมีสร้างทานได้แล้วสร้างศีลได้แล้วก็จะสร้างเน่ฆัมมะได้พอสร้างเน่ฆัมมะได้ก็จะมีเวลามาสร้างอุเบขาบารมีอุเบขาบารมีก็คือ ความสงบของใจนี่เองใจรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ก็จะมีอุเบกขาขึ้นมาอุเบกขาก็คือความนิ่งเฉยของใจปราสจากความรักชังกลัวหลงเป็นสภาพของจิตใจที่มั่นคงแข็งแรงถ้าเป็นบ้านก็เหมือนกับสร้างอยู่บนหินจะไม่มีวันที่จะสุดจะพังลงไป ถ้าสร้างบนโคลนบนทรายนี่เดี๋ยวเผลอๆมันสุดล้มลงไปได้ใจของเราก็ต้องสร้างอยู่บนอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาแล้วจะไม่หวั่นไหวกับความรักความชังความกลัวความหลง ม, มันจะไม่สามารถมาเขย่าจิตใจของเราได้เห็นอะไรก็จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่คืออุเบกขาบาลมีเป็นที่ เป็นที่ตั้งของจิตใจจิตใจของเราจะมีความสุขจะมีความมั่นคงจะมีความสบายอกสบายใจก็อยู่ที่การมีอุบเบกขานี่แหละเราจึงต้องมาสร้างกันด้วยการสร้างนิคัมมะบาลมีถือศีลแปดแล้วเราก็มาอยู่วัดกันเพื่อที่เราจะได้มาเจริญสติพุทธโธพุทธโธ เพื่อที่จะทำใจให้สงบใจสงบรวมเป็นหนึ่งก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้ารวมสั้นๆก็เรียกว่าคนิกะสมาธิรวมแบบนกกระจอะ ก, กินน้ำพอรวมปั๊บสงบปั๊บแล้วก็ได้งออกมาอย่างนี้ก็เรียกว่าคณนิกะสมาธิถ้ารวมแล้วตั้งอยู่ได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้ารวมแล้วไม่อยู่เฉยๆคันคันหูคันตาออกไปดู ไปรู้นิมิตต่างๆก็เรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี้ไม่มีอุเบกขาถ้าอยากจะได้อุเบกขาต้องดึงใจไว้อย่าปล่อยให้ออกไปรับรู้นิมิตต่างๆด้วยการใช้สติดึงใจเข้ามาให้สักแต่ว่ารู้ไว้อย่าไปตามรู้นิมิตต่างๆเพราะถ้าตามรู้แล้วจะเกิดความรักชังกลัวหลงขึ้นมาได้ เวลาเห็นเห็นนิมิต ด, ดีก็ดีใจเวลาเห็นนิมิตที่ไม่ดีก็จะกลัวจะทุกข์เพราะฉะนั้นผู้ที่นั่งสมาธิต้องระมัดระวังอุปจารสมาธิอย่าไปเล่นกับมันเพราะมันเป็นเหมือนของเล่นไม่มีประโยชน์กับจิตใจในการที่จะมาต่อสู้กับความรักความชางังความกลัวความหลง ให้อยู่ในอัปปนาสมาธิให้อยู่กับความนิ่งความสงบของใจไปนานๆตอนนั้นไม่ต้องออกทางปัญญายัางไม่ใช่เวลาของปัญญาปัญญานี้ต้องรอให้ออกจากสมาธิมาก่อนพอออกจากสมาธิมาแนละ้วก็ถ้ามีอุเบกขาก็จะมีกําลังที่จะพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายการพิจารณานี้ ก็เพื่อให้เราไม่หลงไม่ลืมเท่านั้นเองพวกเราทุกคนรู้ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแต่มักจะลืมกันลืมเพราะอะไรทําไมถึงลืมลืมเพราะเพราโลภพอโลภแล้วก็ลืมเห็นอะไรก็อยากได้อยากมีเงินเยอะๆอยากมีนั่นมีนี่เยอะๆแล้วก็จะอยากให้มันอยู่กับตนเองไปนานๆแต่ถ้ามีความตายแล้เลิกรู้อยู่เรื่อย ความโลภมันก็จะหดเข้ามามันรู้ว่าโลภไปได้มาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเสียเวลาไปปะปล่ า, าเวลาเวลาจากกันก็ต้องร้องหม่มร้องไห้ไม่สบายใจทุกข์ใจทรมานใจนี่คือปัญญาให้เรามาพิจารณาเวลาออกจากสมาธิมาแล้วแต่ใจที่มีสมาธินี้จะมีอุเบกขาติดมาด้วย จะทำให้สามารถพิจารณาเรื่องที่ไม่อยากจะพิจารณาได้ถ้าใจไม่มีอุเบกขานี้จะไม่ชอบพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายจะไม่ชอบนึกถึงอสุภะความไม่สวยไม่งามจะไม่ชอบนึกถึงการพัดพรากจากกันจะชอบคิดแต่สิ่งที่สวยสวยงา ม, งามเห็นแล้วก็อยากได้อยากอยู่นานๆเพราะเกิดความอยากอยู่นานๆก็เกิดความกลัวตายขึ้นมา พอรู้ว่ายัางไงยังไงก็ต้องตายแต่ไม่อยากตายพอไม่อยากตายก็เลยกลัวตายก็เลยทุกข์ใจกับความกลัวตายแต่ถ้ามามันพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วในที่สุดก็ต้องตายไปความอยากอยู่นานๆามันก็จะหายไปพอมันรู้ว่าอยู่ไม่ได้แล้วความยอมตายมันก็จะเข้ามาพอยอมตายแล้วใจก็จะสบาย จะไม่ทุกกับความตายต่อไปนี่คือเป้าหมายของการสร้างบารมีเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายเกิดการพัดผ่าจากกันถ้ามีปัญญาแล้วใจจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรก็รู้ว่าได้มาก็ได้ชั่วคราวเป็นก็เป็นชั่วคราวเดี๋ยวตายไปมันก็หมดไป ดิ้นลนทำไมกับของเชื่อคราวสู้เอาของถาวรดีกว่าของถาวรคืออะไรก็คือความสุขที่ได้จากอุเบกขานี่แหละใจที่สงบนี้จะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วก็ต้องใช้ปัญญารักษาถ้าไม่มีปัญญาเดี๋ยวความอยากโผล่ขึ้นมาก็จะไปทาตามความอยาก แล้วก็ต้องไปทุกข์กับสิ่งที่ได้มา <c oughs> แต่ถ้ามีปัญญาคอยเตือนว่าเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเพราะมันไม่เที่ยมมันไม่แน่นอนมันเป็นของชั่วกราว <c oughs> ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเวลาหมดไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าคอยสอนใจด้เรื่อยว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยมไม่ใช่เป็นของเราใจก็จะไม่ยึดไม่ติดไม่หลง จะไม่อยากให้เที่ยงจะไม่อยากให้เป็นของเราพอมันไม่มีความอยากมันก็จะไม่มีความทุกเวลาสิ่งที่ได้มาจากไปก็จะไม่เสียใจเช่นเวลาร่างกายตายไปก็ไม่เสียใจร่างกายของใครก็ต่างของสามีของภรรยาของบุตรของธิดาของบิดาของมันดาในที่สุดก็ต้องจากกันไปแต่คนที่มีปัญญาจะไม่ทุกข์เพราะจะรู้ว่า ห้ามไม่ได้จะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้สักวันหนึ่งเขากับเราก็ต้องมีการจากกันไปถ้ามีปัญญาก็จะจากแบบปล่อยวางไม่มีความอยากให้อยู่กันไปตลอดอยู่กันได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นถ้าอยู่ถึงวันนี้แล้วเย็นนี้ต้องจากกันก็จากกันไปไม่เห็นังมีปัญหาอะไรเลยถ้าไม่ยอมก็จะทุกข์แล้วก็ต้องจากกันอยู่ดี จากแบบทุกข์หรือจากแบบสุขถ้าจากแบบสุขก็ต้องมีปัญญาที่เราต้องคอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่มีความอยากได้อะไรแล้วเราก็จะไม่เสียอะไรเพราะเราไม่มีอะไรจะเสียถ้ามีอะไรก็ต้องเสียถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเสีย แล้วไปเหนื่อยยากกับการหามันมาทําไมเนี่ยออกไปทํามาหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทองแทบเป็นแทบตายหาของที่จะต้องเสียไปในที่สุดหามาทําไมหาของที่ไม่เสียไม่ดีกว่าเลยของที่ไม่เสียคืออะไรก็คือบุญบารมีที่เรามาทำกันนี่แหละถ้าได้แล้วมันจะอยู่กับใจของเราไปตลอดแล้วมันจะสร้างความสุขให้กับใจของเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด เพราะใจของเราไม่มีวังสิ้นสุดแต่ถ้าเราไปหาของภายนอกใจหามาได้เท่าไหร่ก็จะต้องหมดไปต่อให้เป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านพอตายไปก็เอาติดตัวไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแต่บารมีที่เรามาทํากันนี้เราสามารถเอาติดตัวไปได้หมดเลยทํามาเท่าไหร่ก็จะเอาไปได้หมดเลยอย่างพระพุทธเจ้านี่เอาไปหมดเลยปารมงสุขขัง อยู่เต็มเปลี่ยนไาในหัวใจของพระพุทธเจ้าถ้ามีบา ร, รมีครบร้อยแล้วก็ไม่ต้องไปหาอะไรอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอีกต่อไปเพราะว่าไม่ต้องการอะไรแล้วพวกที่ยังมาเกิดอยู่เพราะว่ายังไม่มีความสุขใจยังไม่มีความพอใจยังหิวยังอยากอยู่เมื่อมีความหิวมีความอยากก็จะต้องมาเกิดมามีร่างกาย ก็จะต้องมีร่างกายไว้ใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆที่เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็กลายเป็นความทุกข์เวลามันหายไปเวลามันหมดไปนี่คือวิธีหาความสุขของผู้ที่ไม่มีบุญบรารมีผู้ที่ไม่สร้างบุญบรารมีก็จะต้องหาอย่างนี้ไปทุกภพทุกชาติไม่มีวันสิ้นสุดแต่ท่าหาแบบพระพุทธเจ้าหาแบบพระอรหันตสาวก ด้วยการสร้างบุญบรารมีขึ้นมาก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปดังนั้นขอให้พวกเราพยายามสร้างบุญบรารมีกันอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็มาสร้างกันสักครั้งหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นถ้าได้เห็นคุณเห็นประโยชน์เห็นจิตใจที่มีความมั่นคงมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นก็จะเกิดศรัทธาที่อยากจะสร้างให้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย แต่อย่างน้อยต้องมีจุดเริ่มต้นถ้าไม่เริ่มทำก็จะไม่เห็นคุณประโยชน์ของการสร้างบุญบา ร, รมีดังนั้นทุกอาทิตย์คือวันพระพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้พุทธศาสนิกชนยุติการหาทรัพย์ภายนอกแล้วมาหาทรัพย์ภายในด้วยการมาสร้างเมตตาบา ร, รมีทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคข ม, มะบา ร, รมี อเบคขาบารามีและปัญญาบารามีด้วยการสนับสนุนด้วยอธิษฐานบารามีคือความตั้งใจศัจจะจคือความจริงใจวิริยะคือความหมั่นเพียรความขยันและขันติความอดทนเพราะการจะสร้างบารามีต่างๆได้นี้ใจต้องมีความแน่วแน่ต้องตั้งใจอย่างวันนี้ถ้าไม่ตั้งใจมาวัดจะไม่ได้มา เมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องมีสัจจะความจริงใจตั้งใจจะทำอะไรแล้วต้องทำตามที่ตั้งใจไม่โกหกตัวเองถ้าไม่มีสัจจะก็จะโกหกตัวเองตั้งใจว่าจะมาวัดพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ตื่นไม่ไหวอยากจะนอนต่อก็เลยไม่ลุกอย่างนี้แสดงว่าไม่มีสัจจะไม่มีวิริยะไม่มีความเพียรไม่มีขันติไม่มีความอดทนถ้าอยากจะทาบา ร, รมีต่างๆได้ ต้องมีอธิษฐานบารมีต้องฝึกตั้งใจตั้งเป้าหมายของชีวิตไว้ว่าจะทำอะไรวันนี้จะทำอะไรเรียกว่าอธิษฐานเมื่อตั้งใจแล้วตั้งเป้าแล้วก็ต้องมีสัจจะต้องทำตามที่เราตั้งเป้าไว้เมื่อมีสัจจะแล้วก็ต้อง ม, มีวิริยะความขยนันถ้าไม่มีความขยันขี้เกียจเดี๋ยวก็ไม่ได้ทำอยู่ดีเมื่อทาแล้วมันเจอความทุกข์ยากลาบาก ก็ต้องใช้ขันติอดทนสู้ต่อไปไม่ยอมถอยไม่ยอมแพ้ถ้าไม่มีขันติก็จะยกธงขาวได้มาฝึกนั่งสมาธิได้5นาที10นาทีทนไม่ไหวก็ยกธงขาวไปแล้วถ้ามีขันติจะไม่ยกจะนั่งต่อไปจะพูดโทรต่อไปแล้วเดี๋ยวความเจ็บมันก็จะหายไปเองแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ นี่คือเรื่องของการมาสร้างบา ร, รมีต่างๆเพื่อความสุขความเจริญของชีวิตที่จะตามมาเพื่อความสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายเพื่อความสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นจากการที่เรามาสร้างบุญบา ร, รมีทั้งสิประการนี้แลการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้